นอนในเต็นท์ด้วยกันเถิดหน่าระพินผมให้เขากางเตียงไว้เผื่อให้คุณแล้วเครื่องนอนครบระพินสายศีรษะช้าๆยิ้มอ่อนโยนขอบคุณครับกรุณาอย่าเป็นห่วงเลยผมนอนข้างนอกสะดวกกว่าจะได้ดูแลอะไรง่ายเข้าแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเวลาเดินป่าผมชอบนอนกับพื้นมากกว่านอนในเต็นท์เพราะช่วยให้ฟังเสียงสัตว์ได้ง่ายแลวผานใหญ่ก็ปลุบหายออกไป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 ธุระอะไรจะให้ตาพรานใจกาดนั่นมาตีเสมอเข้ามานอนอยู่ในเต็นท์กับเราเขาเป็นลูกจ้างก็ควรจะให้สํานึกในฐานะของตนไว้พี่ใหญ่กับชัยยานขืนโอบแบบนี้หน่อยจะได้ใจแค่นี้ก็กําแหงพอแรงแล้ว2ชายคนหนึ่งเป็นพี่อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนขมวดคิ้วหันขวับไปจ้องหญิงสาวอย่างไม่พอใจแต่หม่อมราชวงศ์คนสวยเอ็นตัวรงนอนชักผะห่มขนจัดขึ้นกลุ่มศีรษะเสียปล่อยให้ทั้งสองบ่นอะไรกันพึมพำ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 เชื่ถากับชัยยันรับสนิทไปแล้วเพราะความอ่อนเพลียในการเดินทางหนักมาทั้งวันแต่หญิงสาวยังคงพลิบกระสับกระส่ายนอนลืมตาอยู่คนเดียวหล่อนลุกขึ้นเดินไปค้นหีบคว้าพิมดีดกับแฟ้มเครื่องเขียนออกมาตั้งใจจะเขียนวิทยา น, นิพนธ์ฆ่าวเวลาจนกว่าจะง่วงแต่แล้วก็นั่งเท้าคางเฉยไม่มีสมาธิพอที่จะทางานได้นึกถึงเครื่องเล่นจานเสียงขึ้นมาได้จัดแจงค้นขึ้นมาเปิดฟังเพลงเ บ, งเบา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 ไม่ควรเลยที่จะหอบเอาเจ้าสิ่งเหล่านี้มาให้เกะกะมาให้ตาพรานพายใจเฮี้ยมคนนั้นหัวเราะเยาะหญิงสาวปิดเครื่องเล่นจานเสียงลุกขึ้นยืนหักนิ้วนาฬิกาพายน้ำที่ข้อมือบอกเวลาเที่ยงคืนตรงหล่อนเดินวนไปวนมาอยู่ในบริเวณกระโจมแล้วแหวกประตูกระโจมออกมองออกไปยังแคมป์เบื้องนอกอย่างปราศจากความหมายสัมผัสกับอากาศอันเย็นเฉียบสถานใจจากไอของน้ำค้างป่า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 มีหมอลูกใหญ่ตั้งอยู่กำลังส่งควันฉุยพวกนั้นกำลังคุยกันเบาๆและกินอะไรที่ต้มอยู่ในหมอ้อนั้นระยะห่างจากกระโจมที่พักออกไปประมาณส0เมตรมันเป็นวงรอบนอกสุดของอนณาเขตแคมป์ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มเดียวที่ยังตื่นอยู่ยกเว้นจากแง่ทรา ย, ายผู้ไม่มีวันหลับในเวลากลางคืนดารินออกเดินทอดน่องช้าๆตรงไปที่แง่ทราย พวกลูกหาบกลุ่มนั้นก็ทําอะไรกันอยู่นะยังไม่นอนอีกหรือไม่ใช่พวกลูกหาบหรอกครับนายหญิงแงซ า, ายตอบผู้กองกับพวกพรานของเขาสามคนเขาทําอะไรกันผมไม่ทราบหญิงสาวยิ้มออกมานิดหนึ่งตาจับอยู่ที่ภาพเงาตะคุ่มในแสงสรวของกองไฟนั้นไม่เปลี่ยนแงซ า, ายอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องตามฉันมาหรอกฉันจะเข้าไปดูหน่อยว่าพวกเขาทําอะไรกันอยู่ ครับแง่าสายรับคาโดยดีแต่ก็กล่าวเตือนมาว่าที่นี่มีอันตรายยิ่งกว่าที่เขาโรนนายหญิงควรจะระวังตัวให้มากอย่าชะล่าใจเหมือนอย่างที่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันจะไม่ก้าวออกไปพ้นบริเวณของเราเลยหล่อนกล่าวแล้วก็เดินตรงไปยังภาพที่เห็นเสยเกิดและจันที่นั่งล้อมวงกองไฟอยู่ต่งเงยหน้าขึ้นอย่างประหลาดใจ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 หล่อนแกล้งพูดซุปสันบัวแดงครับนายหญิงจะลองสักถ้วยไหมครับจันทตอบปนหัวเราะเชิญชวนมาอืมก็เข้าทีที่นี่แต่อย่ากลัวเลยฉันไม่แย่งกินหรอกอุตสามาแอบซุ่มต้มกินกลางดึกกลัวคนอื่นเขาจะขอกินบ้างปากหล่อนตอบจันทร์แต่หางตาชำเลืองไปทางระพินพวกนั้นพากันหัวเราะขึ้นอีกระพินคงนิ่งเฉยเคี้ยวตุ้ยต้ยอยู่ตามเดิมเหมือนจะไม่ได้ยิน หรือเห็นอะไรนอกจากเจ้าสิ่งโอชาที่หอมกลุ่นอยู่ในถ้วยที่ถืออยู่เท่านั้นจันเกิดเสยมองดูตากันเองแล้วต่างก็ค่อยๆทยอยห่างเลี่ยงออกไปปล่อยให้พรานใหญ่นั่งอยู่คนเดียวกับหญิงสาวผู้เป็นนายซึ่งมายืนค้ำอยู่รอนเดินเอืย่ออ้อมไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาขอโทษเถิดเจ้าข้าดิฉันหม่อมราชวงหญิงดาดินวาราฤทธ์กลังยืนอยู่ที่นี่รอนเน้นรากเสียงประชด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 ครูของผมอาจไม่เหมือนครูของคนอื่นก็ได้ทำไมครูของผมเคยสอนไว้ว่าเมื่อผมนั่งอยู่และมีสุภาพสตีบุญหนักสักใหญ่มายืนพูดค้าหัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือเป็นอะไรให้ฉุดสุภาพสตีผู้นั้นลงมานอนคว่ำตีก้อนอย่างแรงสีหกทีผมอาจเป็นลูกศิษย์ที่ไม่เอาฐานก็ได้จึงมักจะละเลยคำสั่งสอนของครูในข้อ น, นี้ไปบ้า คุณเลวซามขนาดไหนแล้วครูของคุณยิ่งเลวหนักลงไปกว่านั้นอีกแต่ก็เป็นความดีของคุณหญิงเหลือเกินที่เลือกเอาคนเลวซามมาเป็นพรานนำทางขอให้รู้ไว้เสียด้วยว่าฉันไม่ได้เป็นคนเลือกคุณพี่ชายฉันตตหากเป็นคนเลือกและฉันก็ได้คัดค้านเขาแล้วถึงว่าสินี่ถ้าคุณหญิงเป็นคนเลือกผมด้วยตัวเองต่อให้ค่าจ้างสักล้านผมก็ไม่ตกลงทาไม ธุระอะไรผมจะยอมรับจ้างมาถูกชวนทะเลาะจากเช้าจรดข้ามจากข้ามยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูจรดตีหนึ่งสองยามฉันไม่ได้เจตนาจะทะเลาะกับคุณหรอกนะแต่คุณเจตนากวนประสาเหรือเกินดูเถอะมีอย่างหรือพอรับหลังพี่ชายของฉันคุณปฏิบัติต่อฉันอย่างไรเห็นฉันเป็นเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งเท่านั้นถามจริงๆเถอะคุณเห็นฉันเป็นอะไรไปไม่ทราบ คุณไม่ให้เกียรติฉันเลยไม่ว่าจะในด้านกิดวัตหรือวาจาผมจะเห็นคุณหญิงเป็นอะไรก็เป็นเด็กผู้หญิงที่บรล ม, มันดือ้อเอาแต่ใจตัวชอบผานหาเรื่องชนิดที่น่าจะตีให้สักเพียสองเพียนะสิบ้าดูสินี่อวดดีมาพูดกับฉันถึงอย่างนี้เทียวเลยหล่ อ, ลอนแผดเสียงรันระพินหัวราอหือห้ออยากจะพูดให้ยิ่งกว่านี้เสียอีกแต่มนึกขึ้นได้ว่า